พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยนะพระองค์ซึ่งเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะน่ยนะจะมีอีกเรียกอีกชื่อหอนึ่งก็เรียกว่าผูา้ผู้จบเวท น, นะเวทะก็คือความรู้เนี่ยนะผู้ถึงที่สุดแห่งความรู้ mm hmm. คือพระองค์นี่ย่อมรู้พระองค์เป็นผู้ที่รู้ทั่วพระองค์เป็นผู้ที่รู้แจ้งเฉพาะ พระองค์เป็นผู้แทงตลอดแล้วเลยเรียกว่าพระองค์เป็นผู้จบเวทพระองค์เป็นผู้ที่มีปัญญาให้เจริญแล้วหรือเป็นผู้ที่อบรมเจริญพระองค์จนครบถ้วนบริบูรณ์แล้วคือเป็นผู้ที่ถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติผู้ที่เจริญกายเจริญวาจาเจริญใจ เจริญกุศลธรรมทั้งหลายให้งอกงามแล้วก็รุ่งเรืองแล้วทั้งคําถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะทรงจบเวททรงถึงที่สุดแห่งความรู้เนี่ยเป็นอย่างไรก็เนื่องจากว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีฌานพระองค์มีปัญญาพระองค์มีปัญญินรียพระองค์มีปัญญาพภะพระองค์มีธรรมวิจยะสัมโพชฌงพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีวิมังสาปัญญา พระองค์เป็นผู้มีวิปัสนาปัญญาพระองค์เรียกว่าเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฐิซึ่งวันนี้เรามาเรียนพระพุทธคุณบอกว่าพระองค์ผู้ทรงมีพระปัญญาพรนะองค์เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยปัญญาที่จริงคำว่าปัญญาในนัยพิเศษตรงนี้เน้นวิปัสนาปัญญาทั้งหลายไ ม, ไม่เน้นปัญญาธรรมดาเพราะว่าปัญญาทั่วไปเน้น อย่าง ป, ญญาปัญญาที่เกิดร่วมกับศีลก็เรียกว่าศีลศรรมปัญญาซึ่งพระพุทธเจ้านั้น่ะมีปัญญาที่ควบคู่อยู่กับศีลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเน้นตรงนั้นว่าเป็นปัญญาพิเศษอย่างพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลถึงพร้อมด้วยอินทรีสังวรพระองค์มีโพชเนมตตัญยุตาพระองค์มีชาคริยานุโยกกิจเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยสเร็จด้วยปัญญา แต่ก็ไม่เรียกตรงนั้นว่าเป็นผู้มีปัญญาเพราะเรียกว่าเป็นผู้มีศีลคือเน้นพิเศษว่าเป็นศีลปัญญาเป็นอลังการเป็นเครื่องประกอบเนี่ยนะเป็นสิ่งที่อยู่เกิดร่วมพร้อมกับศีลก็เลยยกให้ศีลเป็นหัวหน้าไปปัญญาในฐานะบริวารซึ่งพระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่มีปัญญาขณะที่พระองค์รักษาศีลนั้นรักษาด้วยปัญญา พระองค์มีอินทรีสังวรพระองค์ก็มีอินทรีสังวรด้วยปัญญาเนี่ยนะพระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยชาคริยานุโยคพระองค์ก็มีชาคริยานุโยคพร้อมด้วยปัญญามีโพชเนมตันยุตารู้จักประมาณในโพชนะก็รู้จักประมาณด้วยปัญญานั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นก็เรียกว่าพระองค์เป็นผู้มีศีลมีอินทรีสังวรมีโภชเนมตันยุตามีชาคริยานุโยค ไม่ยกปัญญาเป็นตัวเด่นแต่ยกคุณธรรมเหล่านั้นเป็นเครื่องเด่นอย่างพระองค์เป็นผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยนะศรัทธาของพระองค์ก็ประกอบกับปัญญาแต่ตรงนั้นก็ไม่เน้นปัญญาเน้นศรัทธาพระองค์เป็นผู้มีฮีเรโอตาปะฮีริรโอตาปะของพระองค์นั้นสำเร็จจากปัญญาพระองค์มีสติมีวิรยิรยะความภาคเพียรของพระองค์ก็สาเร็จมาจากปัญญา มีสติทั้งหลายสติก็สำเร็จมาจากปัญญาแต่ตรงนั้นก็ไม่เรียกว่าปัญญาแต่ตรงนี้เน้นพิเศษก็คือปัญญาระดับสูงพระองค์จึงเรียกว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาเพราะพระองค์เป็นผู้ที่มีปัญญารู้ความเกิดความดับอันเป็นอริยะเนี่ยนะรู้เหตุให้เกิดในวัตตารูร้ความปฏิบัติหรือรู้ข้อปฏิบัติเพื่อดับวัตตะฉะนั้นพระองค์จึงเรียกว่าเป็นผู้ที่ มีปัญญาเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยปัญญาผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาเพราะรูะ้พระองค์มีปัญญารู้ว่าวัตตะทั้งหลายเจริญโดยอาการอย่างไรความดับวัตตทั้งหลายนะั้นเป็นอย่างไรอย่างเหตุให้เกิดขันทั้งหลายเนี่ยนะขันทั้งหลายคาว่าขันก็คือชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยเกิดด้วยเหตุผลเหล่าใด เหตุปัจจัยเหล่าใดที่ทำให้ขันทั้งหลายนีเกิดขึ้นเป็นชาติชรามรณ ะ, ะความดับชราและมรณะนั้นเป็นอย่างไรพระองค์เป็นผู้ที่รอบรู้ทำทั้งหลายเหล่านี้พระองค์จึงชื่อว่าเป็นผู้ที่บริบูรณ์พรังพร่งพร้อมด้วยปัญญาก็เนื่องว่าปัญญาปัญญีสีปัญญาพละธรรมวิจยะสัมโพชงวิมังสาวิปั ส, สนาสัมมาธิฏฐิ สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เน้นปัญญาที่รอบรู้ในอริยสัจเนี่ยนะอย่างปัญญาที่รู้เหตุเกิดก็คือรู้ทุกขศาสตร์และสมุทัยศาสตร์พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญญารู้ความดับของวัตถทั้งหลายก็คือรู้นิโรธศาสจะและรู้อริยมัคศาสตร์ซึ่งความน้อมของปัญญานั้นปัญญานั้นเด่นในการรู้อริยสัจ ท, ทั้งหลายอย่างที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วว่า ศรัทธาเนี่ยนะดูได้จากโสตาปฏิยังฆ่าธรรมวิริยะเนี่ยนะรู้ได้ในสัมมปทานสสติรู้ในสติปฐานสสมาธินั้นรู้ได้ในฌานสี่แล้วก็ปัญญารู้ได้จากอริยศาสสี่เพราะพระองค์เป็นผู้มีปัญญาก็เนื่องจากว่าปัญญาของพระองค์นั้นน้อมไปเพื่อพิจารณาอริยศาสทั้งหลายอริยศาสทั้งหลายก็คือเหตุที่ทําให้เกิดใน วัตะนั่นเองคือทุกขกับสมุทัยสัจจะแต่เนื่องจากเป็นอารมณ์ของปัญญาพระองค์เป็นผู้มีปัญญารอบรู้ในเหตุเกิดของวัตะก็คือเหตุสมุทัยสัจจะกับทุกขสัจจะนั่นเองนี่พระองค์รู้ว่าไอความดับวัตะเป็นอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติอย่างไรจึงจะดับวัตะพันพระองค์จึงรู้อ่ารอบรู้ข้อปฏิบัติเพื่อดับวัตะได้อย่างครบถ้วนและบริบูรณ์ มันเนื่องจากพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีจารณะ น, นะทบทวนพูดแบบองค์รวมก็คือว่าเนื่องจากพระองค์เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยจารณะไล่ตังกาศีลอินทรีย์สังวรโภชเนมตะตันยุตาชาคริยานุโยกเป็นผู้ที่มีศรัทธามีฮิริโอตปะมีวิริยะมีสติมีปัญญาเนี่ยพระองค์จึงถึงที่สุดเนี่ยนะะเพราะว่าจารณะก็คือเครื่องปฏิเครื่อง ดำเนินหรือข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุพระนิพพานพร้พระองค์จึงถึงที่สุดคือพระนิพพานบรรลุถึงที่สุดคือพระนิพพานเนื่องจากพระองค์มีข้อปฏิบัติเหล่านี้พระองค์จึงสู่ไปสุดคือพระนิพพานบรรลุถึงที่สุดคือพระนิพพานถึงที่สุดรอบแล้วคือพระนิพพานถึงส่วนสุดคือพระนิพพานก็คือวตะนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่ปฏิบัติแล้วก็อยู่จก จบแล้วจบอะไรจบชาติมันงันนะสิ้นชาติกันทีมันงันนะสิ้นชาติสิ้นชะล า, าสิ้นมรณะก็เปรียบเหมือนกับว่าคนที่เกลียดทุกเนี่ยนะบอกว่าจบทุกทั้งทีดับทุกหมดทุกนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ถึงที่ต้านทานคือพระนิพพานมีข้อปฏิบัติที่ทําให้ถึงเครื่องป้องกันภพเนี่ยนะเครื่องป้องกันพบคือพระนิพพานเนื่องจากพระองค์ดําเนินในข้อปฏิบัติเหล่านี้พระองค์จึงถึงที่ต้านทาน ปกติขันท่าทั้งหลายไม่มีที่ต้านทานแต่พระองค์เนี่ยปฏิบัติในจารณะพระองค์จึงถึงที่ต้านทานขันท่านั้นไม่ได้เป็นที่หลีกเ้่นแค่ว่าไปซ่อนตัวอยู่ตรงไหนที่จะพ้นทุกข์ไม่มีพระองค์ปฏิบัติจนบรรลุถึงพระนิพพานเป็นที่ซ่อนเร้นขันท่าโดยปกตินั้นไม่เป็นที่พึ่งคือพึ่งจริงๆไม่ได้ แต่เนื่องจากพระองค์เนี่ยปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติจนได้ตรัสรู้อริยสัจคือปฏิบัติอยู่ในจารณะพระองค์จึงถึงที่พึ่งคือพระนิพพานปกติแล้วขันห้าเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เคลื่อนคําว่าเคลื่อนก็คือแปรสภาพไปไม่ได้คงอยู่ดังเดิมพระองค์เนี่ยปฏิบัติในจารณะทั้งหลายพระองค์จึงบรรลุถึงธรรมที่ไม่เคลื่อนคือพระนิพพานขันห้าทั้งหลายเป็นสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา พระองค์เนี่ยปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติเพื่อให้เห็นอริยศาส์นั้นพระองค์จึงแทงตลอดธรรมที่ไม่ตายคือพระนิพพานนะพระองค์จึงบรรลุพระนิพพานด้วยปัญญาทั้งหลายหรือด้วยข้อปฏิบัติทั้งหลายด้วยจรณะทั้งหลายพระองค์เนื่องจากว่าพระองค์เป็นผู้ที่อบรมปัญญาพระองค์จึงเป็นผู้ที่บริบูรณ์บริสุทธิ์ด้วยปัญญา อย่างที่กล่าวว่าเวทคูนั้นคำว่าเวทนั้นเป็นชื่อของปัญญาหรือปัญญานั้นจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเวทก็ได้ น, นะพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาปัญญาก็คือปัญญาปัญญินีปัญญาพละธรรมวิจยาสัมโพชองวิมังสา ว, วิปัสนาสัมมาทิฏฐิทั้งหลายถ้ากล่าวตามเมตคูมานวกะปัญหานิเทศที่พระสารีบุตรชี้แจงเพิ่มเติมว่า พระพุทธเจ้าชื่อว่าเวทคูก็คือพูดถึงเวทเวทก็คือความรู้เนี่ยเนื่องจากว่าพระองค์นี้ทรงทราบแล้วซึ่งทำเจ็ดประการคือพระองค์ทราบส ก, กายาทิฐิคือทราบด้วยปัญญาทั้งหลายเนี่ยนะมีปัญญารอบรู้ส ก, กายะทิฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตะปรามมาพระองค์รู้ราคะโทสะโมหะพระองค์รู้อกุศลธรรมอันเศร้ามองทุกชนิด เป็นอากุศลชนิดที่ทำให้ไปสู่พบใหม่ทำให้เกิดในพบใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากอากุศลธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งชาติชราและมรณะนั่นเองดังที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนสพยะบุคคลเลือกเวทเหล่าใดทั้งสิน้นเวทเหล่านั้นของสมณครามกก็มีอยู่บุคคลนั้นปราศจากราคะในเวทนาทั้งปวงล่วง เวททั้งปวงจึงชื่อว่าเวทคูก็คือผู้มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยจึงสามารถตัดฉันทราคะในขันหเนี่ยนะตัดฉันทราคะในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแล้วก็มีปัญญาที่จะเจริญวิปัสนาแทงตลอดอริยสัจธรรมทั้งหลายพระองค์ก็เลยชื่อว่าผู้ถึงเวทคือผู้มีปัญญานั้นผู้มีปัญญานั่นแหละจึงดับส ก, กายทิฏฐิ ดับวิจิกิจฉาดับศีลพัตตปรามาตดับราคะดับโทสะดับโมหะดับมานะดับอกุโสลธรรมอันเศร้ามองที่ทําให้เกิดใหม่ทุกชนิดทุกประเภทพระองค์เนี่ยชื่อว่าผู้มีปัญญาเพราะพระองค์เนี่ยเจริญพระองค์แล้วเจริญเจริญคุณธรรมที่มีอยู่ในใจของพระองค์เนี่ยนะคือจิตของพระพุทธเจ้านั้นเป็นจิตที่ได้รับการภาวนาภาษาไทยคุ้นเคยคําว่าพัฒนาเนี่ยนะ เป็นจิต ท, ที่พัฒนาแล้วไม่ใช่เป็นจิต ท, ที่เศร้าหมองหรือเป็นจิต ท, ที่เจือด้วยอย่างสมัยเขาบอกว่าสันดานดิบของมนุษย์เนี่ยนะอย่างภาษาชาวบ้านก็ทั่วไปเรียกสันดานดิบของมนุษย์มีความเป็นเดรัจฉานอยู่ในตัวเขาว่างันอ่าคือเพราะอะไรหมูหมูสัตว์เดรัจฉานนึกคิดแบบสัตว์เดรัจฉานเป็นอย่างไรหมูมนุษย์ไม่ใช่น้อยที่มีนิสัยดิบๆเหล่านั้นก็เพราะอะไรเพราะไม่ได้อบรม ส่วนผู้ที่อบรมภาคเพียรภาวนาเนี่ยนะให้บริบูรณ์แล้วเนี่ยจะดับนิสัยทั้งหลายเหล่านั้นเรียกว่าเป็นผู้ฝึกเสร็จแล้วพันพระองค์จึงเป็นผู้ฝึกกายฝึกใจฝึกศีลกายของพระองค์เนี่ยฝึกแล้วด้วยศีลใจของพระองค์ก็ฝึกแล้วด้วยคุณธรรมทั้งหลายปัญญาของพระองค์เนี่ยนะก็เจริญทำให้เต็มเปี่ยมและบริบูรณ์สติปัาขพระองค์ก็เจริญให้เต็มเปี่ยม เพราะอพระองค์เป็นผู้มีสติก็คือพระองค์เป็นผู้ที่เจริญสติปัฏฐานดําเนินตัวพระองค์เองให้ไปในสติปัฏฐานดําเนินพระองค์เองให้เป็นไปในสัมมปัฏฐานดาเนินอยู่ในอิทธิบาทบาต ท, ที่ทําให้เกิดการตรัสรู้พระองค์มีศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นใหญ่เป็นภละเนี่ยนะเป็นอินทรีย์เป็นพล ะ, นะพละแล้วก็เป็นโทษชงเพราะนําออกจากทุกข์นําไปเพื่อการ ตรัสรู้มีอริยมรรคที่เป็นนิยา น, นิกรรมนําออกจากทุกคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้พระองค์เจริญให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์นะเจริญทั้งศีลเจริญจิตเจริญปัญญาสติปัญญาสมมติปัญญาอิทิบาทอินทรพละโพชฌงและองค์มรรคเนื่องจากพระองค์มีคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้พระองค์จึงกําจัดความเศร้าหมองได้สารพัดอย่างนะกำจัดความเศร้าหมองทางกายกําจัดความเศร้าหมองทาง วาจาและทางใจเนี่ยนะที่เกิดจากราคะโทสะโมหสกายติธิบาปอากุโสลธรรมทุกชนิดเพราะนั้นพระองค์จึงถแถลงแทงตลอดธรรมอันไม่กำเริบพระนิพพานเนี่ยชื่อว่าธรรมที่ไม่กำเริบอสังหีรังอสังกุ ป, ปังก็เรียกว่าไม่งอนแงน่นไม่คลอนแคลนซึ่งไม่เหมือนกับขันห้าเนี่ยนะขันห้าซึ่งงอนแง่นคลอนแคลนแปรปลวนไปไม่มีความจรังยั่งยืนไม่มีความ แน่นอนอะไรพระองค์ก็แทงตลอดอกุปธรรมธรรมที่ไม่กำเริบเพราะฉะนั้นพระองค์จึงมีนิโรธอันทำให้แจ็บแจ้งแล้วจิตของพระองค์นั้นจึงสัมผัสกับพระนิพพานจิตของพระองค์นั้นจึงน้อมไปในธรรมที่ดับชาติชารามรณะเนี่ยนะคือไม่ได้ไปอาลัยอาวรณ์และห้อยหาติดหาในชาราและมรณะแต่จิตของพระองค์นั้นน้อมไปในธรรมเป็นที่ดับ ชรามรณะนิโรธแปลว่าธรรมที่ดับชราและมรณะนิโรธเป็นธรรมที่ดับชาตินิโรธเป็นธรรมที่ดับภพบนิโรธเป็นธรรมที่ดับตัณหาและก็อุปาทานเนื่องจากพระองค์นี้แทงตลอดอกุปรรมคือพระนิพพานจิตของพระองค์จึงน้อมไปในพระนิพพาน